ผมเป็นคนแปลกเห็นอะไรขวางหูวางตาน่าจะเป็นอันตรายแก่คนอื่นอดที่จะแก้ไขไม่ได้แม้จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆหรือจะเสียเวลาเสียความสุขสบายส่วนตัวก็ยอมย่ามก้อนหินก้อนนั้น รถคันอื่นๆก็ผ่านมาแล้วไม่รู้กี่สิบคันแต่ทุกคันก็ผ่านไปไม่มีใครยอมเสียเวลาคนออกจากทางแต่ผมทนไม่ไหวจริงๆครับเอาออกแล้วสบายใจดีดีแล้วโยมอาตมาข อ, อนโมธนาคนจำนานได้กล่าวขึ้นว่า จนจะถึงหมู่บ้านข้างหน้าแล้วครับแต่ผมจะไม่หยุดที่หมู่บ้านยกเว้นแต่ถ้าท่านจะลงผมก็จะหยุดให้ลงแต่ถ้าท่านอยากไปกับผมต่อไปก็ข อ, อนิมนต์ไปกับผมนะครับอาตมาคิดในใจว่าหลังจากได้คุยกับชายเจ้าของรถ ผู้เอื้อเฟื้อมาช่วระยะเวลาอันสั้นอาตมาก็เกิดความรู้สึกชอบในอุปนิสัยเขาเป็นอย่างมากรู้สึกว่าเขาเป็นกลัลยาณมิตรและเป็นบัณฑิต ก, การสนทนากับเขาทำให้เกิดความรู้ แ, แปลกใหม่เพราะเหตุนี้อาตมาจึงบอกเขาว่าจะขอโดยสารไปกับเขา ซึ่งเขาก็แสดงความยินดีอย่างเห็นได้ชัดพอรถเข้าเขตหมู่บ้านอัตมาสังเกตเห็นว่าเขาได้ชะลอความเร็วลงมากขับอย่างระมัดระวังณนะจุดหนึ่งมีสุนัขสองตัววิ่งไล่การข้ามถนนตัดหน้ารถย่างกระชั้นชิดคชนชํานาญกระชากเท้าขวาเยียบเบรกเสียงดังสนั่น ทำให้รถหยุดลงด้วยอาการรุนแรงอัตมาคิดอยู่ในใจว่าเขาคงจะส่งเสียงด่าเช่งชักหักกระดูกสุนัขสองตัวนั้นลั่นรถแต่ตรงกันข้ามเขามองตามมันไปด้วยสายตาแสดงความปริวิตกแล้วก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกเขาหันมาพูดกับอัตมาพลางสตารถว่า ผมใจไม่ดีนึกว่าเบรกไม่ทันเสียละการขับรถนี้ไม่ใช่ของง่ายนะท่านต้องระวังตัวทุกวินาทียิ่งเข้าเขตหมู่บ้านต้องระวังมากขึ้นคนนะ่ะไม่เท่าไรหรอกเจ้าพวกสัตว์นี่เสียระวังลำบากมากเพราะมันไม่ค่อยรู้กฎจราจรเหมือนเราและไม่ค่อยระวังเนื้อระวังตัว ถูกรถทับตายเสมอพ่อเองก็เคยขับรถทับสุนัขตายเหมือนกันเพราะหลบหลีกไม่ทันจริงๆขับรถทับสุนัขตายแต่ละทีไม่สบายใจไปหลายวันทีเดียวบางครั้งต้องทำบุญตรวจน้ำโอทิส่วนบุญให้มันทุกทีดีแล้วอาตมากออนโมธนาอาตมาตอบตามแบบฉบับ เมื่อเรามาถึงใจกลางหมู่บ้านคุณชํานาญได้หยุดรถที่หน้าร้านขายของแห่งหนึ่งแล้วเปิดประตูรถเดินลงไปที่ร้านแห่งนั้นอัตมาสังเกตเห็นว่าชายสี่ห้าคนซึ่งนั่งอยู่ในร้านต่างลุกขึ้นยกมือไหว้และทักทายเขาอย่างเคารพอัตมาได้ยินแต่คำว่าพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยง ดังมาจากคนกลุ่มนั้นในไม่ช้าคุณชำนาญก็กลับมาพร้อมด้วยโอเลี้ยงหนึ่งแก้วขนาดใหญ่เขาเอามาถวายอาตมาแล้วก็กลับไปสนทนากับคนกลุ่มนั้นอย่างสนิทสนมการกระทําของเขาทำให้อาตมาเห็นได้ทันทีว่าเขาเป็นคนทำอย่างที่พูดและพูดอย่างที่ทำ โอเลียงแก้วนั้นช่วยดักความกระหายของอาตมาได้อย่างดียิ่งเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยปัญหายุ่งยากเล็กน้อยก็เกิดขึ้นคือเจ้าของกาแฟจะไม่ยอมรับเงินค่ากาแฟฝ่ายคุณชนานก็พยายามยัดเยียดให้ตอบโต้กันอยู่ครู่หนึ่งคุณชนานก็วางเงินไว้บนโต๊ะแล้วรีบมาขึ้นรถ พอรถจะออกเจ้าของร้านยังอุดสาววิ่งมาเอาเงินค่าก า, าแฟโยนเข้าไปในรถคืนให้จนได้คนไทยเป็นซะอย่างนี้แหละครับเก่งค้าขายไม่ค่อยเจริญใจดีเกินไปคุณเจ้านานกล่าวยิ้มยิ้มขณะรถออกวิ่งผู้สนใจไฝ่สินไฟทธรรมทั้งหลายบางครั้งเรื่องต่างๆก็น่าคิดนะ คือบางคนคิดแต่จะเอาขอให้มาดื่มของเราสิจะเอาเงินให้ทุกคนและเราก็คิดที่จะเอาให้ได้แม้แต่เส็นก็ไม่อยากให้เส็นแต่คนคนบางคนดื่มของเขาเสร็จแล้วเจ้าของน้ำยังไม่เอาเงินอีกขยันขยอยังไม่เอาวางไว้แล้วยังวิ่งไปตามส่งถึงรถอีก มันคืออะไรยอมก็คิดดูเองก็แล้วกันเมื่อเราออกจากหมู่บ้านมาเป็นระยะทางประมาณห้ากิโลเมตรเราได้สังเกตเห็นคนหมู่ใหญ่กำลังยืนชุมนุมอยู่ข้างหน้าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนั่นคนชำนาญพูดขึ้นอย่างตื่นเต้นพลางเร่งความเร็วของรถขึ้น เมื่อเรามาถึงจุดนั้นก็ได้พบว่าเหตุการณ์ร้ายแรงได้เกิดขึ้นจริงๆคุณชมนานได้หยุดรถรีบเปิดประตูกระโดดลงไปดูเหตุการณ์ทันทีอาตมาก็ลงไปดูด้วยชายคนหนึ่งบอกว่ารถพลิกคว่ำครับชายคนหนึ่งซึ่งมีโลหิตเ ป, เปื้อนตามเนื้อตามตัวได้กระออกมาอย่างละ ล, ะ ล, ะละ่ารลัก นุ่นไงนอนหงายท้องอยู่ข้างล่าง น, นุ่นเมื่อเรามองตามมือของชายไปก็ได้พบรถโดยสารคันหนึ่งนอนหงายท้องอยู่ในคู่ข้างถนนข้างล่างโลน้าด้านซ้ายมือก็ระเบิดขึ้นเมื่อรถมาถึงโค้งนี้พอดีรถจึงเสียหลักพุ่งลงไปจากถนนพลิกคว่ำสองสามตลบ คนณชำนาญถามอย่างรวดเร็วว่ามีใครเป็นอะไรไหมอ๋อเด็กเก็บสตางถูกรถทับตายครับเพราะแกกระโดดลงก่อนในขณะรถพุ่งลงจากถนนนู่นนอนอยู่นั่นชายคนเดิมตอบชี้มือไปทางร่างร่างหนึ่งซึ่งคนเอาผ้าขาวมาคลุมร่างไว้คนขับรถอาการสาหัสคนโดยสารอื่นๆหัวร้างข้างแตกไปตามๆกัน ภาพคนโดยสารที่ได้รับบาดเจ็บนอนร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดอยู่กับพื้นดินมีเพื่อนโดยสารอื่นๆนั่งล้อมปลอบโยนเยียวยากันตามสภาพเป็นภาพที่น่าสงสารอย่างยิ่งเขาเหล่านั้นทั้งหมดเป็นชาวชนบทซึ่งขึ้นโดยสารรถในระหว่างทางทั้งนั้นในขณะที่เหตุการณ์ชโลมวุ่นวายกำลังดำเนินไปอยู่นั้นอีก อาตามาได้เดินไปยังศพของเด็กคนเก็บสตางเพื่อจะลงธรรมสังเวชและสวดอุทิศส่วนบุญแก่เขาชายสองสามคนซึ่งนั่งเฝ้าศพได้ยกมือไหว้อาตามาแล้วเปิดผ้าขาวม้าที่คลุมหน้าเด็กผู้น่าสงสาร น, นั้นออกพอเห็นหน้าเด็กผู้เคราะหร้ายนั้นอาตามาถึงกับตกตะลึงงันไปทีเดียว เพราะจำได้อย่างแน่นอนว่าเขาคือเด็กคนเก็บข้ารุยสารประจำรถคันที่ไล่อาตมาลงมาอย่างทารุณ น, นั่นเองเพื่อให้แน่ใจยิ่งขึ้นอาตมาได้หันไปมองดูรถโดยสารที่นอนพลิกหงายท้องอยู่ในคูข้างถนนอีกครั้งหนึ่งหลังจากพิจารณาดูลักษณะรถอยู่ชั่วครู่ก็เกิดความแน่ใจว่าใช่ ใช่แนะ่ใช่รถคันที่แลตามาลงแน่ๆขณะที่ตามากำลังยืนอยู่ด้วยความงงงวยและความสังเวชสลบใจนั่นเองก็มีชายคนหนึ่งเดินมาหายกมือไหว้แล้วพูดว่าท่านครับนิมนต์ไปปร ด, ดคนขับหน่อยเถอะอาการเขารอแรมมากเห็นจะไม่รอดแน่ๆอาตอมาเดินตามชายคนนั้นไปคล้ายคนที่ทุกข์สะกดจิต เมื่อมองดูชายผู้เคราะห์ร้ายนั้นแวบเดียวอาตมาจำได้ทันทีว่าเขาคือคนขับรถคันนั้นเขานอนหลับตาหาใจระรวยอยู่บนพื้นดินแวดล้อมด้วยคนโดยสารที่เฝ้าจ้องดูด้วยความเป็นห่วงแม้หลายคนจะโกรธแค้นเขาที่เขาขับรถเร็วเกินควรจนประสบอุบัติเหตุอันน่าสยดสยอง แต่ในเมื่อเขาอยู่ในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตเช่นนี้แล้วทุกคนก็ดูเหมือนยินดีให้อภัยแก่เขาชายคนหนึ่งก้มลงบอกที่ข้างๆหูคนขับว่ามีพระมาโปรดแล้วมีพระมาโปรดแล้วคนขับรถค่อยๆลืมตาขึ้นแล้วจ้องดูอาตมาด้วยแววตาแสดงความตื่นตกใจกลัว เขาพยายามจะยกมือทั้งสองขึ้นไหวแต่ทำได้เพียงยกมือข้างขวาขึ้นมาวางไว้บนอกดวงตาของเขาเปลี่ยนจากแววแห่งความตื่นตกใจเป็นแววแห่งความวิงวอนมีน้ำตาไหลซึมออกมาจนเต็มเม้าตาหลับตาลงบีบน้ำตาให้ไหลออกทางหางตาแล้วก็ลืมตาขึ้นอีก ท่านครับโปรดยกโทษให้ผมด้วยครับผมผิดไปแล้วเพราะรู้ไม่ถึงการกรรมตามสนองผมแล้วเขาพูดออกมาอย่างแผ่วเบาจนเกือบฟังไม่ได้ยินคำพูดของเขาทำให้คนที่นั่งอยู่โดยรอบมองดูตากันด้วยความไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไร อาตมายกโทษให้แล้วโยมอาตมากล่าวด้วยเสียงดังพอกะว่าให้เขาได้ยินอาตมายกโทษให้แล้วขอให้ทําใจให้ดีๆไว้อย่าคิดอะไรให้มากอาตมาไม่เคยถือโทษโกรธเคืองโยมเลยคงไม่เป็นอะไรมากนักหรอกนะเขาหลับตาลงและพยายามจะยกมือไหว้อีก พอพอแล้วโยมขอให้โยมนอนนิ่งๆตั้งใจระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงบุญกุศลที่โยมเคยทำมาในอดีตทำใจให้ผ่องใสเรื่องไร้ร้ายทั้งหลายพยายามลืมเสียให้หมดขอให้ท่องคำว่าอารหังอรหังอยู่ในใจในโยมนะมีแววยิ้มนิดๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าอันซีดเซียวของเขา แล้วหลังจากนั้นเขาก็เงียบลมหายใจของเขาค่อยๆแผ่วเบาลงเบาลงมีการสะดุ้งเฮือกเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเขาก็เงียบตลอดกาอาตมาชักผ้าขาวมาขึ้นคลุมหน้าเขาแล้วก็สวดมาติกาบังสกุลตายส่งวิญญาณเขาไปสู่สุคติภพ เสร็จแล้วลุกขึ้นยืนทันไปมองดูคนโดยสารอื่นๆที่นั่งอยู่โดยรอบทุกคนนั่งก้มหน้านิ่งดุจต้องมนต์สะกดจ้องดูร่างอันปราศจากวิญญาณของคนขับรถด้วยหัวใจอันหนักอึ้งเพราะความสังเวชสลดใจต่อความไม่เที่ยงแท้ความไม่แน่นอนของชีวิต ความตายที่ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาครั้งนี้ย่อมเป็นพยานอันเด่นชัดต่อความจริงแห่งชีวิตข้อนี้อย่างไม่มีความเคลือแคลงสงสัย ใ, ใดๆทั้งสิ้นอันความตายชายนาเรีนี้ไม่พ้นถึงมีจนก็ต้องวายตายเป็นทีถึงแสนรักก็ต้องร้างห่างทันทีไม่วันนี้ก็วันหน้า อยางแน่นอนอาตมาเห็นว่ายามเช่นนั้นเป็นโอกาสเหมาะที่จะชักนำชุมชนนั้นให้เห็นภัยในชีวิตแล้วรีบริ่งกระทำความดีจึงได้กล่าวขึ้นว่านี่แหละญาติโยมทั้งหลาย คือวาระสุดท้ายแห่งชีวิตที่เราทุกคนจะต้องประสบเข้าในวันหนึ่งข้างหน้าไม่ว่าคนรวยคนจนคนผู้สูงสักรหรือต่ำสักคนฉลาดหรือคนโง่คนดีหรือคนชั่วในที่สุดก็จะต้องเป็นอย่างนี้อย่างไม่มีทางผ่อนปอนหลีกเลี่ยง เวลานี้พญามัจจุราชผู้ไม่เคยผิดนัดกำลังคอยเราอยู่ท่านรู้ดีว่าท่านนัดกับใครไว้วันไหนปีไหนเมื่อถึงวันเวลาท่านจะมาพบกับเราทันทีแม้จะท่องเที่ยวไปในใต้ลาแอตเมคาเขาเคิร์เนินสไลมัจจุราชก็ต้องตามทุกยามไปณนะทินใดผนตายไม่มีเลย ถึงเวลาที่ท่านจะมาพบท่านก็มาพบกับเราทัานทีไม่มีทางหลีกเลี่ยงเหมือนกับที่ท่านมาพบกับคนขับรถคันนี้ในวันนี้ส่วนพวกเราไม่มีทางรู้เลยว่าท่านจะมาวันไหนท่านอาจจะมาวันนี้พรุ่งนี้เดือนหน้าหรือปีหน้าก็ได้เราทุกคนจะต้องตายแน่ๆแต่ไม่แน่ว่าจะตายเมื่อไหร่ เมื่อเป็นเช่นนี้พระท่านจึงสอนให้เราไม่ประมาทมัวเมาเพลิดเพลินอยู่กับอารมณ์ของโลกจนเกินไปผู้มัวเมาประมาทหาแต่สนุกสนานเพลิดเพลินให้แก่ตนไม่ได้กระทำคุณงามความดีไว้เมื่อมัจจุราชมาฆ่าเอาชีวิตไปยอมโศกเศร้าเสียใจและมีหวังไปสู่ที่ไม่ดีที่เป็นทุกข์เดือดร้อน พ่้ไม่มัวเมาไม่ประมาทเร่งกระทำความดีไว้ทุกเมื่อย่อมไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อมัจจุราชแม้เมื่อความตายมาถึงก็ไม่หวั่นไหวเปรียบเหมือนคนที่เตรียมสเสบียงไว้เต็มที่แล้วย่อมไม่วิตกทุกข์ร้อนว่าจะออกเดินทางเมื่อไหร่เมื่อถึงเวลาก็ออกเดินทางด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส อัตตานงเจไปยังชัญญารักเคยนังสุรคกิตังถ้ารักตนเองแล้วให้ริบสร้างความดีถ้ารู้ว่าตนเป็นที่รักก็ควรรักษาตนเองนั้นให้ดีควบคุมกายวาจาใจตนเองให้อยู่ในความดีญาติโยมทั้งหลาย ข้าวปลาอาหารเงินทองเป็นสเสบียงสำหรับการเดินทางในโลกนี้บุญกุศลเป็นสเสบียงสำหรับการเดินทางไปในวัฏสงสารอันยาวนานผู้ใดมีบุญกุศลอันสั่งสมไว้มากผู้นั้นจะก้าวขึ้นบันไดแห่งสุขติโลกที่ดีโลกที่เจริญแล้วจะดำเนินไปตามหนทางอันสูงส่งสู่ประตูพระนฤพนในที่สุดผู้ใดไม่ได้สั่งสมบุญไว ผู้นั้นจะประสบความอดอยากตลอดกาลนานในทุกขตินรกเปรตอสุรกายและกำเนิดเดรชานจะเวียนว่ายตายเกิดประสบทุกข์อยู่ในห้องมืดแห่งวัตฏะไม่มีที่สิ้นสุดฉะนั้นตั้งแต่วันนี้ขอให้ทุกคนจงคัดหางเสือนาวาชีวิตของตนไปสู่ทิศทางอันถูกต้องคือทางบุญทางกุศลต่อไป พออาตมาเทศจบญาติโยมทั้งนั้นต่างกลับลงกับพื้นด้วยความเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็ลุกขึ้นยืนเข้ามารุมล้อมอาตมามีชายคนหนึ่งถามขึ้นว่าก่อนที่ชายคนนั้นจะสิ้นใจผมได้ยินเขาขอโทษขอโพยท่านผมอยากทราบ ว, ว่าเขาได้ทำการล่วงเกินท่านไว้อย่างไรบ้างนิมนต์เล่าให้พวกผมฟังด้วยครับอาตมานิ่งอยู่นานทีเดียว เนื่องจากคิดไม่ออกว่าจะตอบเขาอย่างไรดีถ้าจะเล่าเรื่องอาตมาถูกไล่ลงจากรถให้เขาฟังจกเกรงว่าเขาจะเข้าใจว่าอาตมาเป็นพระผู้ศักดิ์สิทธิ์สามารถดลบันดาลให้เกิดภัยพิบัติแก่ผู้ที่ล่วงเกินได้แล้วหลังจากนั้นก็จะถูกรุมล้อมถูกนิมนต์ถูกติดตามในฐานะเป็นผู้วิเศษ จนไม่มีเวลาที่จะปฏิบัติดัดกายวาจาใจเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นอันเป็นจุดมุ่งสูงสุดในพระพุทธศาสนาแต่คันจะตอบเป็นอย่างอื่นจากความจริงก็จะเป็นการพูดมุสาผิดพระวินัยบัญญัติของพระบรมศาสดาซึ่งเป็นความผิดร้ายแรงยิ่งกว่าการเล่าความจริงเสียอีกเมื่อคิดดูดีแล้วจึงตอบเพียงย่อๆว่า อ๋อเขาเคยล่วงเกิอนอาตมาครั้งหนึ่งนานมาแล้วซึ่งเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่อาตมาไม่ได้เอาใจใส่อะไรมากมายนักเลยโยมก็ผมได้ยินเขาบอกว่ากรรมตามสนองผมแล้วแสดงว่าเขาประสบเคราะห์กรรมคราวนี้เพราะเขาได้ล่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่คราวนั้นใช่ไหมครับชายคนเดิมนี่แหละถามอีกตามาเลยตอบว่า ก็ไม่แน่นักเราะจอเรื่องของกรรมเป็นเรื่องเกินวิสัยคนธรรมดาอย่างเราจะรู้ทั่วถึงการที่เขาประสบเคราะห์กรรมคราวนี้อาจจะเป็นผลกรรมเก่าที่เขากระทําไว้ในชาติก่อนก็ได้เป็นผลกรรมชั่วที่กระทําไว้ในชาตินี้ก็ได้อาจจะเป็นผลแห่งความประมาทเลินเล่อของเขาเองก็ได้ อาจจะเป็นเหตุบังเอิญสุดวิสัยก็ได้ใครจะไปรู้เมื่ออาตมาตอบเป็นทํานองปักปัดไปเช่นนั้นชายคนนั้นก็ไม่ติดใจจะถามต่อไปอีกอาตมานึกดีใจที่สามารถตัดปัญหา ย, ยุ่งยากไปเสียได้แต่แล้วเจ้าความไม่แน่นอนตัวเดียวกันนั่นเองก็่อให้เกิดเรื่องขึ้นจนได้ คือมีคนโดยสารคนหนึ่งซึ่งเป็นคนจีนและได้เห็นเหตุการณ์ตอนอาตมาถูกไล่ลงจากรถด้วยตาตนเองเดินกระโผลกกระเพลกเข้ามาหาตามาพอมาถึงก็ฟุกลงแทบเท้าของอาตมาท่ามกลางความประหลาดใจของคนทั้งหลายแล้วนั่งคุกเข่าพรนมมือพูดขึ้นอย่างละล่ำละ ล, ะละักด้วยเสียงค่อนข้างดังและโดยภาษาไทยที่ไม่ค่อยชัด ว่าท่านอาจารย์ครับเป็นกุศลของผมเลือกเกินที่ได้พบกับท่านอีกผมนึกว่าผมตายแล้วตอนรถพลิกกว่าถ้ามิได้พระคุณเจ้าถือครุ่งพรองผมคงตายไปแล้วเขาส่ายศรีรษะอย่างเหนื่อยหน่ายอาตมาเองก็รู้สึกงงเช่นเดียวกับคนอื่นๆเพราะ จำไม่ได้ว่าเคยพบชายจีนอายุกลางคนผู้นี้ที่ไหนมาก่อนท่านอาจารย์ครับตอนที่เขาไล่ท่านลงจากรถนั้นผมเห็นอยู่กับหูกับตาผมรู้สึกโมโหเจ้าคนขับรถกับกระเป๋ารถจนตัวสั่นแต่ก็ทําอะไรไม่ได้มันช่างใจบาปหยาบช้าเสียเลยเคยือผมว่ารถมันคว่าําคราวนี้เพราะกรรมตามสนองมันแท้ๆสมํานา อย่าอย่าไปซ้ำเติมเขาเลยโยมอย่าเลยนะนไหนๆเขาก็ตายไปแล้วให้อภัยเขาเถอะอาตมาไม่ถือโทษโกรธเคืองเขาหรอกยมนะเขาไล่ท่านลงเมื่อไหรเท่าแกชายคนแรกที่ถามเรื่องกรรมตามสนองกับอาตมาถามชายจีนคนนั้นก็สักสองชั่วโมงมานี่เองอ่ะมันเร็วมาก ทำไมเขาไล่ท่านลงละ่ะเท่าแก่ไม่รู้หัว oh, ฟังไม่ชัดแต่เห็นมันบ่นตอนหลังว่าพระไม่มีเงินค่าโดยสารให้มันมันใจบาปมากแม่แต่พระมันก็เก็บค่าโดยสารท่านไม่มีก็จะเอาไม่มีก็จะไล่ลงถ้าขึ้นมาก็ต้องเอาถ้าไม่มีก็ให้ลง เมื่อสังเกตดูอาการที่ชายจีนคนนั้นเป็นเดือดเป็นร้อนแทนอาตมาแล้วความสงสัยแบบเห็นแกต่ตัวก็เกิดขึ้นในใจว่าถ้าเขาเป็นเดือดเป็นแค้นจริงเดือดร้อนใจแทนจริงสงสารอาตมาจริงหวังดีต่ออตมาจริงทำไมเขาไม่ทำบุญกับอาตมาโดยยอมเสียค่าโดยสามให้อาตมาเสียตั้งแต่ตอนต้นนั้นซึ่งจะเป็นจำนวนเงินเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ไม่ถึงกับล่มจมหมดตัวอะไรแต่เมื่อได้สติกลับมาว่าความสงสัยเะนั้นเป็นความเห็นแก่ตัวอัตมาก็สะกดใจกำจัดมันเสียแล้วแผ่เมตตาแก่ชายจีนนั้นแทนทำไมเท่าแก่ไม่ถวายคารสทานเล่าชายไทยคนเดิมถามขึ้นคล้ายกับรู้จิตใจของอัตมา ชายจีนนั่งอึ้งไปครู่หนึ่งแล้วต่อบพลางสายหน้าตามเดิมโวกกดลืมไปมันคิดไม่ทันเพราะความโมโหเมื่อท่านลงรถไปแล้วจึงคิดขึ้นได้โมโหตัวเองไม่น้อยเหมือนกันเขาหันหน้ามามองอาตมาเป็นเชิงรีวงหวนแล้วก็พูดว่าท่านอาจารย์ครับผมขอโทษด้วยผมลืมไปจริงๆผมอยากแก้ตัวอยากนิมนท่านไปทำบุญที่บ้านผมสักครั้ง บ้านผมอยู่ลำพูนผมจะกลับทันทีเมื่อมีรถโดยสารขึ้นผ่านมาข้างน้าไม่ไปแล้วไม่ไปข้างหน้าอีกแล้วผมขอนิมนท่านไปลำพูนกับผมชายจีนคนนั้นพูดยังไม่จบดีค น, น, นอื่นๆก็ชิงพูดขึ้นเสียงขง่มต่างคนต่างออกปากนีมนให้อตมาไปยังบ้านของตอนเองในที่สุดสิ่งที่อตมาคาดคิดก็เกิดขึ้น คือตอมาได้กลายเป็นผู้วิเศษไปเสีแล้วในสายตาของคนเหล่านั้นเพราะการเปิดเผยเรื่องราวของชายจีนคนนั้นชาวพุทธไทยจีนทั่วไปย่อมมีนิสัยตื่นผู้วิเศษและของวิเศษมีคนจำนวนน้อยสนใจในการศึกษาและปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระบรมศาสดาอย่างแท้จริงเมื่อได้ข่าวว่ามีผู้วิเศษอยู่ที่ไหน ย่อมหลังไหลไปหาเมื่อได้ข่าวว่ามีของวิเศษอยู่ไหนย่อมดนดันไปหาทางนี้ก็เพราะคนต้องการทางลับอยากได้สิ่งใดง่า ย, ายโดยไม่ต้องลงทุนลงแรงและรอคอยเพราะเหตุนี้จึงมักจะตกเป็นเหยื่อของคนโกงอยู่เสมอคราวนี้ก็เช่นเดียวกัน การที่รถโดยสารคันหนึ่งที่ไลอ่อาตมาลงเกิดอุปตวเหตุความลงเขาคงเห็นว่าเป็นเพราะการสาบแช่งของอาตมาเขาคงคิดต่อไปถ้าตามามีวาจาสิทธิสาบแช่งคนที่ก่อกรรมทำเข็นแก่ตนได้ก็คงจะมีวาจาสิทธิประสาท พ, พ่อให้คนที่ทำคุณแก่ตนประสบโชคลาภอะไรก็ได้เพราะฉะนั้น ทุกคนจึงอยากทำคุณกับอาตามาอยากดีมนไปที่บ้านเพื่อจะได้ทำบุญด้วยแล้วจะได้ขอสิ่งที่เขาต้องการในที่สุดสิ่งที่อยู่เบื้องหลังกุศลเจตนาของเขานั้นก็คือความเห็นแก่ตัวนั่นเองขณะที่อาตามายืนนิ่งอยู่นั้นการแก่งแย่งกันออกปากอีมนอาตามาก็ดำเนินต่อไป และทำท่าว่าจะรุนแรงขึ้นบางคนถึงกับเข้ามาจับยึดชาชีวอของอาตมาไว้บางคนก็ผลักใสกันเองอาตมารู้สึกงุนง่านรำคาญใจและ เ, เหนื่อยมากจึงพลัดออกจากฝูงชนไปนั่งพักผ่อนบนเนินดินข้างถนนฝูงคนคงติดตามรุมล้อมอาตมาอย่างไม่ยอมห่างความเห็นแก่ตัว และความอยากดูเหมือนจะทำให้ทุกคนลืมเหตุการณ์รายที่เพิ่งจะเกิดขึ้นอย่างสิ้นเชิงลืมความเจ็บปวดของตนเองลืมซากศพที่ยังนอนนิ่งอยู่บนพื้นลืมเพื่อนมนษุษย์ผู้เคราะหร้ายบางคนที่ยังนอนครวนครางด้วยความเจ็บปวดอยู่รอบตัวและที่สำคัญที่สุดก็คือลืมแมโอวาตของอาตมาที่เพิ่งให้ไปโ ย, ยก นี่แหละอิกิพลของความอยากและความเห็นแก่ตัวเมื่อเห็นว่าไม่มีทางใดที่จะปราบเขาเหล่านั้นให้สงบได้อัตมาจึงตัดสินใจจะใช้วิธีนาำยอกอน้ำบงอัตมากล่าวขึ้นด้วยเสียงอันดังว่าญาติโยมทั้งหลายโยมเชื่อหรือไม่ว่าตมาเป็นผู้วิเศษมีวาจาศิก อาจพูดให้ใครประสบภัยพิบัติหรือได้โชคลาภอะไรก็ได้โยงเชื่อไหมเชื่อครับคนทั้งกลุ่มตอบเกือบเป็นเสียงเดียวกันดีแล้วถ้าอย่างนั้นอาตมาขอให้ทุกคนเงียบและอยู่นิ่งๆอย่าเข้ามาใกล้าอาตมาและอย่าออกปากนิมนต์หรือขออะไรทั้งสิน้นถ้าใครไม่เชื่ อ, อตมาคืนเข้ามาใกล้หรือนิมนต์ หรือขออะไรอาตมาจะสาให้ผู้นัน้นประสบภัยพิบัติพออาตมาพูดจบเท่านั้นคนที่อยู่ใกล้ๆตามถดถอยออกไปไม่เป็นขบวนและทุกคนอยู่ในอาการสงบเงียบดึกถูกสะกดจิตเมื่อเห็นว่าทุกคนสงบเงียบดีแล้วยาโยมทั้งหลายโยมเชื่อหรือไม่ว่าตามาเป็นผู้วิเศษมีวาจาสิทธ อาจพูดให้ใครประสบภัยพิบัติหรือได้โชคลาภอะไรก็ได้โยมเชื่อไหมเชื่อครับคนทั้งกลุ่มตอบเกือบเป็นเสียงเดียวกันดีแล้วถ้าอย่างนั้นอาตมาขอให้ทุกคนเงียบและอยู่นิ่งๆอย่าเข้ามาใกล้าอาตา ม, มาและอย่าออกปากนิมนต์หรือขออะไรทั้งสิ้นถ้าใครไม่เชื่อตา ม, มาคืนเข้ามาใกล้หรือนิมนต์ หรือขออะไรอาตมาจะสาให้พนันปรุสภัยพิบัติพออาตมาพูดจบเท่านั้นคนที่อยู่ใกล้ๆต่างถดถอยออกไปไม่เป็นขบวนและทุกคนอยู่ในอาการสงบเงียบดุดถูกสะกดจิตเมื่อเห็นว่าทุกคนสงบเงียบดีแล้วอาตมาจึงพูดขึ้นว่าดีมากเท่าที่โยมทั้งหลายยื้อแย่งกันนิมนต์อาตมานั้น อาตมารับไม่ได้เพราะจําเป็นจะต้องเดินทางต่อไปแต่อาตมาจะไม่ทําให้โยมผิดหวังอาตมาจะประสาทพรให้โยมทุกคนประสบโชคลาภตามที่ตนปรารถนาโยมไม่ต้องมีมนต์อาตมาไปบ้านรอกถ้าตมามีวาจาสิทธิ์ให้พรที่นี่หรือที่ไหนก็เท่ากันอาตมาจะประสาทพรให้ทุกๆคนที่นี่ขอให้ทุกคนประนมมือขึ้น และอธิษฐานในใจอยากได้อะไรปรารถนาเอาตามใจชอบแต่ต้องให้ถูกต้องตามทํานองครองธรรมนะทุกคนยกมือประนมขึ้นแล้วหลับตาอธิษฐานทำปาขมบขมิบอย่างว่า ง, ง่ายครูใหญ่ผ่านไปอาตมาจึงพูดขึ้นว่าเอาละ่ะต่อไปนี้อาตมาขอประสาทพร ขอให้ทุกคนจงได้จงมีจงเป็นตามที่ตนปรารถนาทุกประการและให้มีความอดทนความเพียรสร้างเหตุที่ดีเอาไว้ให้มากต่อไปนี้อย่าขออะไรจากอาตมาอกีกและอย่าในมลอาตมาอีกนะโยมนะหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็เรียบรอย้อยอาตมาหันไปดูทางรถจิปแลนโรเวอร์ของคุณชำนาญซึ่งอาตมาขอโดยสารมาด้วย แต่หาได้พบไม่มีคนบอกอาตมาว่าเขาได้รีบขนเอาคนเจ็บหนักๆขึ้นรถแล้วขับย้อนกลับเข้าไปในเมืองเพื่อนาส่งโรงพยาบาลเสียแล้วแต่เขาจะกลับมาอีกอาตมาคิดอยู่ในใจว่าขณะที่คนอื่นเห็นแก่ตัวทั้งท้งที่เพื่อนมนุษย์กำลังตกอยู่ในห่วงทุกข์ คนชำนาญกลับสละประโยชน์และความสุขส่วนตัวทุกอย่างช่วยเพื่อนมนุษย์อย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยและสินจ้างรางวันใดๆทั้งสิน้นถ้าตมาเมวาจาสิท์จริงอัตมาก็อยากประสานพรให้คนเช่นนี้เท่านั้นคนที่เสียสละคนที่เมตตากรุณาทำดีโดยไม่ได้หวังวัตถุสิ่งของตอบแทน บุคคลประเภทนี้นี่ถ้าศักดิ์สิทธิ์จริงหน้าประสาทพอให้เขาร่วมเริงตลอดชีวิหลังจากนั้นไม่นานก็มีรถโดยสารคันหนึ่งแต่มาจากทางที่ใต้เมื่อมาถึงจุดที่เกิดอุปตวหิทคนขับได้ชะลอความเร็วลงและหยุดจอดรถชิดขอบถนนด้านซ้ายบรรดาญาติโยมผู้ประสบ อุปเทวเหตุต่างดี อ, อกดีใจที่จะได้ขึ้นรถหนีไปใสีจากภาพอันน่าเศร้าทุกคนต่างกุลีกุจอเก็บข้าวเก็บของเร่งไปขึ้นรถโดยสามคันนั้นคนที่เจ็บหนักก็ถูกเพื่อนผู้โดยสารช่วยหามไปขึ้นรถคนที่เจ็บไม่หนักเกินไปก็พยายามเดินกระยองกระเย่งไปเองขณะที่เหตุการณ์วุ่นวายกำลังดำเนินไปอยู่นั่นเอง เด็กหนุ่มคนหนึ่งก็เดินกระโเผกกระเพกเข้ามาหาอาตมาแล้วพูดด้วยเสียงละล่ำและลักว่าท่านอาจารย์ครับท่านต้องอยู่กับผมนะครับท่านต้องอยู่กับผมอย่าทิ้งผมไปนะครับว่าแล้วเขาก็เข้ามาจับชาชีวนอาตมาไว้อาตมาจ้องดูเขาอย่างงงงแล้วถามว่าโยมจะอยู่ที่นี่ทำไมรีบไปขึ้นรถกับเขาสิประเดี๋ยวจะไม่ทันเขา เร็วๆ เ, เข้าเด็กหนุ่มคนนั้นมองดวอาตมาด้วยสายตาเวงวอนมีน้ำตาไหลซึมออกมาเต็มเบ้าตาตอบว่าโทษท่านอาจารย์ผมจะทิ้งศพเพื่อนกับศพพี่ไปได้อย่างไรครับผมจะต้องรออยู่ที่นี่จนกว่าตำรวจจะมาสอบสวนอาตามาก็จำได้ทันทีว่า เขาเป็นเด็กเก็บข่าโดยสารอีกคนหนึ่งบนรถโดยสารเคราะร้ายคันนั้นเขาคงขวัญเสียเมื่อเห็นคนอื่นกำลังรีบเร่งไปขึ้นรถโดยสารคันใหม่ทาท่าว่าจะทิ้งเขาไว้กับซากศพและซากรถภายในป่าแต่คนเดียวเมื่อมองไม่เห็นใครพ่อจะเป็นที่พึ่งได้เขาจึงเข้ามาวิงวอนอาตมาในยามสูญเสีย ในยามเศร้าในเมื่อชีวิตอยู่ในห้วงมหันต์ทุกข์ย่อมไม่มีที่เพึ่งอื่นใดจะให้ความอบอุ่นใจได้ดีไปกว่าพระรัตนาตายเด็กหนุ่มคนนี้คงจะเคยสวดบทว่าสังฆสรนังขจฉามิมานับครั้งไม่ถ้วนในชีวิตของเขาแต่เขาคง เข้าใจความหมายของบทสวดนั้นอย่างแจ่มแจ้งในคราวนี้โดยไม่ต้องสวดโยไม่ต้องริตกอาตมาตอบเด็กหนุ่มยิ้มออกมาทั้งทั้งน้ำตาแล้วก้มลงกราบอาตมาเมื่อคนโดยสารขึ้นนั่งเรียบร้อยแล้ว รถโดยสารคันนันก็ออกเล่นหายรับโค้งไปทางทิศเหนือทิ้งแต่ลำฝุนสีขาวมอม อ, มอไว้เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นและเสร็จสิ้นลงโดยเร็วดุดฉากประกอบย่อยๆฉากหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องยาวอาตมานึกขำอยู่ในใจที่ก่อนหน้านี้เล็กน้อยคนเหล่านั้นต่างรุมล้อมอาตมาแย่งกันนิมนต์อาตมาไปสู่เทหสถานของเขา แต่พอมีรถโดยสารผ่านมาเป็นโอกาสอันดีที่จะได้กลับบ้านทุกคนต้องรีบเร่งไปขึ้นรถอย่างชุลมุนไม่มีใครแม้แต่คนเดียวออกปากมิมนให้ตามาไปด้วยหรือแม้แต่กล่าวคำอำลาอย่างไรก็ดีอาตามาได้สงบใจแผ่เมตตาจิตแก่ทุกทุกคนอธิษฐานขอให้เขากลับถึงที่สถานของเขาโดยสวัสดิภาพปลอดภัย แล้วก็หันไปมองดูเด็กหนุ่มซึ่งกำลังนั่งมองดูรถของเขาด้วยสายตาแสดงความหมดหวังเขาหันไปมองดูถนนด้านทิศเหนือเป็นครั้งคราวแล้วก็ถอนหายใจยังหนักหน่วงเวลาย่อมผ่านไปอย่างเชื่องช้าเสมอสำหรับผู้รอคอยบัดนี้พระอาทิตย์ได้เคลื่อนคลอยรับแนวป่าลงไปแล้ว แสดงว่าราตรีการกำลังใกล้เข้ามาบรรยากาศรอบบริเวณเริ่มเย็นลงและสงบเงียบยิ่งขึนอาตมาสังเกตเห็นว่าเด็กหนุ่มผู้น่าสงสารปลดปลุกป ล, ด, ป ล, ด, ปลดนั่งตลอดเวลาแสดงความกระวนกระวายใจป่านนี้ยังไม่มาเลยป่านนี้ยังไม่มาเลย เขาพูดออกมาด้วยท่าทางปริวิตตกอย่างเต็มที่ถ้าเขาไม่มาเราจะทาอย่างไรครับท่านอาจารย์อ๋อถ้าเขาไม่มาเราก็ต้องนั่งเฝ้าศกอยู่ที่นี่จนกว่าเขาจะมาเลยโยมถ้าคืนนี้เขาไม่มาตลอดคืนละ่ะเขาพูดตาคองอยังจ้องไปที่ร่างอันปราจากปิญญาณของเพื่อนและลูกพี่ เราก็ต้องนั่งเฝ้าอยู่ที่นี่ตลอดคืนโยมกลัวหรือคำถามของอาตมาคงจะจี้ใจดำของเด็กนมเข้าถนัดใจเขาสะดุ้งสุดตัวแล้วก็หันไปมองรอบตัวครู่ใหญ่ผ่านไปจึงถามอาตมาแทนที่จะตอบท่านอาจารย์ล่ะครับไม่กลัวร่ะครับกลัวอะไรหรือโยม เด็กหนุ่มไม่ตอบได้แต่มองไปทางศกเพื่อนตาไม่กระพริบทำให้อตมาเดาออกว่าเขากลัวอะไรอ๋อเมื่อก่อนอตมาเคยกลัวผีเหมือนกันแต่เวลานี้เลือกกลัวแล้วท่านทำอย่างไรถึงหายกลัวครับเด็กหนุ่มถามด้วยท่าทางที่สนใจก็เรื่องมันยาว แต่อตาตมาจะให้ฟังเมื่อแรกบวชอาตมาไปอยู่ในป่าชากับอาจารย์วันแรกอาจารย์สั่งให้ปักหลดอยู่ใต้ต้นไม้ใกล้ๆหลุมฝังศพผีตายโหงซึ่งเขาเล่าลือกันในละแวกนั้นว่าดุมากผีเนี่ยดุมากเคยหลอกคนหลายคนส่วนอาจารย์ไปปักหลดอยู่ณที่อีกแห่งหนึ่ง ไกลออกไปประมาณสองเมตรอัตอมาบอกท่านอาจารย์ว่าวันแรกขออยู่ใกล้ๆท่านก่อนท่านก็กลับดูเอาท่านบอกว่าเป็นพระเป็นเจ้ามีสินสอ้ี่สิบบริบูรณ์พระสุดกว่ามนุษย์และอะมนุษย์ใดๆแล้วจะต้องกลัวอะไรอีกอีกอย่างหนึ่งที่พาคุณมาอยู่ป่าชานี้ ก็เพื่อให้คุณได้ศึกษาความกลัวจะได้รู้จักกับหน้าตาของความกลัวแล้วจะได้เอาชนะความกลัวได้ในที่สุดคืนนั้นอาตมาต้องฝืนใจอยู่ริมหลุมฝังศพนั้นตลอดคืนพอมืดลงอาตมาเรีบเข้าในกรดไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาแล้วก็นั่งสมาธิพอนั่งได้สักประเดี๋ยวก็ได้ยินเสียงมาเห่าฮอนอย่างเยือกเย็นจับใจ ดังแววมาจากทางหมู่บ้านซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณสองกิโลเมตรอาตจจมาเกิดความหวาดกลัวจนคนลุกสู้ไปทั้งตัวจิตใจวุ่นวายจนไม่เป็นอันธทรรมสมาธิพอเสียงมาเห่าจากทางหมู่บ้านสงบลงก็ได้ยินเสียงมาเาห่าหอนอย่างโหยหวนดังขึ้นภายในป่าชา้าใกล้ๆกับที่อาตมายอยู่นั่นเอง ทุกครั้งที่ได้ยินเสียงสุนักเห่าหอนอาตมารู้สึกเย็นที่สันหลังฟุกตัวแข็งทื่อไปทีเดียวพยายามสงบใจทำสมาธิแต่ไม่สามารถจะปราบจิตใจที่กระสับ ก, กระส่ายวุ่นวายเพราะความกลัวได้ใจมันคิดแต่ว่าผีตายโหงกำลังมาเล่นงานเราแล้วพอเสียงมาหอนสงบลง ก็มีเสียงใบไม้ดังสู้ซ่าเนือศีสักอาตมาสะดุ้งสุดตัวด้วยความหวาดกลัวสุดขีดคิดว่าบัด น, นี้ผีตายโหงคงมาอยู่บนต้นไม้แน่แล้วขณะนั้นไม่มีกระจิตกระใจที่จะทำสมาธิเลยคิดจะวิ่งไปหาท่านอาจารย์ท่าเดียวแต่ครั้นจะทำอย่างนั้นก็นึกละอาใจตัวเองทั้งนึกเกรงใจท่านอาจารย์ จึงจำใจทนอยู่ในกรดนั้นด้วยความทุกข์ทรมานอย่างยิ่งภาวนาอยู่ในใจคอยคืนอันน่าสะพรึงกลัวนั้นผ่านไปเร็วๆแต่รู้สึกคล้ายกับว่าการเวลาได้หยุดนิ่งอยู่กับที่เสียละวันนั้นเป็นแรมสามค่ำเดือนสามพระจันทร์ที่ส่องแสงสว่างสวยอยู่บนท้องฟ้าทำให้ป่าช้าแห่งนั้นไม่มืดมิดเกินไป มองผ่านผ้ามุงกรดออกไปข้างหน้ายังคงเห็นสมทุมพุ่มไม้เป็นรูปร่างชัดเจนแต่ในายามที่จิตใจกําลังถูกความกลัวครอบงำเช่นนั้นพุ่มไม้ที่มองเห็นดูเป็นผีปีศาจคอยจ้องตะครุบอาตมาไปหมดอาตมาหลับตาเสร็จแล้วก็ท่องบนกรณียเมตสูตรซึ่งเขาว่ากันผีได้เป็นการใหญ่บทกรณีนี้ ได้ยินเขาว่าเป็นคาถากันผีแต่เป็นการท่องแบบจับต้นชนปลายไม่ถูกเพราะสติสตังไม่อยู่กับเนื้อกับตัววกไปวนมาจนไม่รู้ขึ้นต้นเมื่อไรลงท้ายเมื่อไรถ้าสูตรนั้นกันผีได้จริงก็คงใช้ไม่ได้ในสำหรับคราวนั้นหลังจากนั้นไม่นานก็มีเสียงดังโครมครามบนต้นไม้ อาตมายกมือทั้งสองขึ้นกุมศีรษะโดยไม่รู้สึกตัวคิดว่าบัดนี้ผีตายโหงคงกระโดดลงมาเล่นงานแน่ๆแต่แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอาตมาค่อยๆ ค, คลายมือออกจากศีรษะแล้วก็เงยหน้ามองขึ้นไปดูข้างบนแต่ไม่เห็นอะไรนอกจากซี่กลดและความมืดอาตมาถอนหายใจอย่างหนักห น, น่วง แล้วก็เริ่มต้นท่องกรณียมิตสูตรใหม่แต่ว่าไปได้ประเดียวเดียวก็ได้ยินเสียงอันน่าสะเึงกลัวดังขึ้นบนต้นไม้มันเป็นเสียงประหลาดซึ่งอาตมาไม่เคยได้ยินมาก่อนมีสำเนียงคล้ายเสียงวัวร้องดังก้องสนั่นป่าช้าอาตมาเข้าใจว่าตัวที่ทำเสียงเช่นนั้นได้จะต้องมีรูปร่างขนาดใหญ่มาฮือมาทีเดียวเสียงนั้นดังขึ้นอีกหลายครั้ง แต่ละครั้งทำให้อตมารู้สึกเย็ยนบูบในกระดูกสันหลังและทุกครั้งที่เสียงนั้นดังขึ้นก็มีเสียงแบบเดียวกันดังตอบมาจากที่ไกลเสียงประหลาดนั้นดังโต้อตอบกันอยู่คู่ใหญ่และก็มีเสียงดังโครมครามอีกครั้งหนึ่งบนต้นไม้หลังจากนั้นก็มีแต่ความเงียบความหนาวเย็นของบรรยากาศในป่าชา ความเงียบดำเนินไปนานมากจนอาตมาคิดว่าคงไม่มีอะไรที่น่าหวาดกลัวเกิดขึ้นอีกแล้วบางทีผีตายโหงที่ว่านั้นอาจจะสู้กับพลังกรณียมใหต้ตสูตรของอาตมาไม่ได้หรืออาจจะสู้ได้แต่ไม่สนใจจะทำการหลอกหลอนต่อไปก็ได้อาตมารู้สึกสบายใจขึ้นมาก จึงค่อยๆเหยียดขาออกคลายความเมื่อยขบอันเกิดจากการนั่งท่าเดียวมาตลอดเวลาเนื่องจากอรรมากวาดใบไม้แห้งมารวมกันเป็นกองแล้วปูผ้าอาบน้ําฝนทับใช้เป็นที่นอนเมื่อขยับตัวจึงเกิดเสียงดังกรอบกแกรบขึ้นแม้จะเป็นเสียงเล็กน้อยแต่ในบรรยากาศเงียบสงัดเช่นนั้นรู้สึกว่าดังมากพอดู เสียงอะตามาขยับขานั่นเองได้ก่อให้เกิดเสียงดังประหลาดขึ้นจากบริเวณ ใ, นในกล้ใกล้กรดของอตาตมาแล้วดังเป็นทางหายเข้าไปในป่าชาเป็นเสียงคล้ายสัตว์ขนาดใหญ่วิ่งฝ่าใบไม้แห้งหนีไปด้วยความกลัวเสียงนี้ทำให้อตาตมาตกใจบ้างแต่ไม่เกิดความหวาดกลัวเพราะว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามถ้าดวิ่งหนีในลักษณะนั้นก็แสดงว่ามันกลัวเรา เมื่อมันกลัวเราอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องกลัวมันอาตมาคิดว่าได้นั่งมานานแล้วควรจะนอนพักผ่อนสถทีจึงเอ็นกายลงนอนเอาศีรษะวางบนห่อผ้าขณะที่กำลังนอนคิดอยู่นั่นเองโหแหววได้ยินเสียงคล้ายๆฝีเท้าคนกระทบพื้นดินดังมาติไกล เมื่อเอาหูทาบกับหมอนแบบนายพรานดักฟังเสียงสัตว์ก็ได้ยินเสียงนั้นดังตึงๆเป็นจังหวะอย่างชัดเจนและดังใกล้เข้ามาทุกขณะความกลัวซึ่งเพิ่งระ ง, งับลงได้กลับมาท่วมทับหัวใจของอาตมาอีกครั้งหนึ่งคิดว่าคราวนี้คงเป็นผีตายโหงแนๆ่ๆอาตมาลุกขึ้นนั่งแล้วก็เตรียม การป้องกันด้วยการสวดกรณียเมตสูตรทันทีเสียงประหลาดนั้นดังใกล้เข้ามาทุกทีจากทางด้านขวามือคราวนี้แทนที่จะเป็นเสียงดังตึงๆกลับเป็นเสียงสวบสาบแบบเสียงเท้าคนเหยียบใบไม้แห้งเมื่อเสียงนั้นดังเข้ามาใกล้กรดอตมาในระยะประมาณ7จดหรือแปดวาก็หยุดชะงักลง อตาตมาจึงหยุดสวดกรณยยเมตตสูตรค่อยๆลืมตาขึ้นมองผ่านผ้ามงปลดออกไปยังทางทิศนั้นสิ่งที่ตามาได้เห็นทําให้ตามาแทบชอ็อกอาตมาเห็นอะไรอย่างหนึ่งลักษณะคล้ายคนมีผ้าคลุมตั้งแต่ศีรษะตลอดเท้ายืนดำทะมึนอยู่ใต้ร่มไม้อตาตมาบอกไม่ถูกว่าขณะนั้นกลัวมากเพียงใด พออาตมาเล่ามาถึงตอนนี้เด็กนุมก็กระเถิบเข้ามานั่งชิดอาตมาหน้าตาซีดเซียวและตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวปากก็พูดละล่ำและรักว่าท่านอาจารย์ท่านอาจารย์าารช่วยผมด้วยไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรหรอกนี้เป็นแต่เพียงเรื่องเก่าเล่าไหมอาตามาปลอบเขาด้วยความสงสารพอแล้วครับท่านอาจารย์อย่าเล่าต่อไปอีกเลยผมไม่อยากฟังแล้ว อาวกนันโยมบอกว่าอยากฟังพิธีปราบความกลัวยังไงอ่ะจริงครับอยากฟังก็อยากฟังกลัวก็กลัวเขาตอบยิ้มแยๆ่ๆเอาตอนนี้ไว้เล่าเวลาอื่นเถอะครับขอให้ท่านอาจารย์เล่าตอนหายกลัวแล้วถเถอะเผื่อว่าผมจะได้หายกลัวบ้างอัตอมามองดูเด็กหนุ่มด้วยความขำผสมกับความสงสารและพูดว่าเอาละ ถ้าอย่างนั้นอาตมาจะเล่าตอนสว่างแล้วพอรุ่งเช้าอาตมาก็ไปกราบท่านอาจารย์ท่านถามว่าเป็นไงกลัวไหมอาตมาตอบท่านว่ากลัวมากครับท่านพูดว่าดีมากไหนลองบอกซิว่าได้เห็นหรือได้ยินอะไรบ้างอาตมาได้เล่าให้ท่านฟังอย่างละเอียดตั้งแต่ได้ยินเสียงมาห่าหอนจนถึงได้เห็นตัวปีศาจยืนอยู่ใต้ต้นไม้ ปีศาจนั้นเรียกเชื่ อ, อตมาเบาๆอัตมาได้ออกปากแผ่ส่วนบุญให้ปีศาจตนนั้นและบอกให้ไปผุดไปเกิดเสียปีศาจตนนั้นเดินบนรอบกรดอัตมาหนึ่งรอบแล้วก็หายไปคือเดินหายไปรายละเอียดตอนหลังอัตมาไม่ได้เล่าให้โยมฟังเพราะมันน่ากลัวเกินไปท่านอาจารย์พูดว่าดีมาก เธอทราบหรื อ, อยังว่ารสชาติของความกลัวเป็นอย่างไรอาตมาตอบรับท่านว่าทราบแล้วและเล่าให้ท่านฟังว่าตอนที่กลัวอย่างเต็มที่นั้นรู้สึกตัวแข็งทื่อหายใจแทบไม่ออกเมือการไหลออกมาชุ่มโชกตัวท่านอาจารย์ยิ้มน้นอยๆและพูดว่าดีมากเธอเชื่อหรือว่าสิ่งที่เธอได้ประสบเมื่อคืนนี้เป็นผีหลอ อาตมาตอบท่านว่ากระผมไม่อยากเชื่อแต่มันก็ชัดเจนจำแจ้งจนต้องเชื่อท่านอาจารย์ยิ้มอีกครั้งและพูดว่าคนส่วนมากที่บอกว่าถูกผีหลอกก็อย่างเดียวกับเธอนี่แหละความจริงผีไม่ได้หลอกแต่หลอกตัวเองเพราะความกลัวเมื่อได้ยินท่านพูดเช่นนั้นอาตมานึกเถยงอยู่ในใจว่าอาตมาไม่ได้หลอกตัวเองแต่เป็นผีหลอกจริง ท่านอาจารย์พูดคล้ายกับรู้แจตา ม, มาว่าอย่าเพิ่งเถียงฟังฟังก่อนจะเล่าความจริงให้ฟังเพราะทุกสิ่งที่เธอรู้เธอเห็นเมื่อคืนนี้เราก็รู้เห็นเหมือนกันเสียงหมาหอนอยู่ในหมู่บ้านที่เธอได้ยินครั้งแรกนั้นเราก็ได้ยินเหมือนกันแต่เราไม่กลัวเพราะมันเป็นเสียงหมาหอนตามธรรมชาติธรรมดาของมัน เหมือนคนเราร้องเพลงเมื่ออยู่ในอารมณ์ที่อยากร้องแต่ว่าคนถูกความกลัวครอบงำแล้วก็ถูกเขาหลอกมาว่าหมาหอนยามค่ำคืนเพราะมันเห็นผีเราจึงรู้สึกกลัวใช่ไหมส่วนเสียงหมาหอนในป่าชานั้นเป็นเสียงหอนของหมาจริงจกซึ่งมีอยู่ดาดเดินในป่าแถบนี้ เป็นเสียงหอนของมาจิ้งจอกซึ่งมีอยู่ดาดเดินส่วนตัวอะไรที่วิ่งทำเสียงอยู่รอบๆกรดของเธอก็คือตัวหนูนั่นเองมันมาวิ่งรอบๆกรดของเราเหมือนกันหนูพวกนี้มันรู้ว่ามีคนมาพักในป่าและอาจจะทิ้งเศษอาหารหรือเศษสิงของที่มันพอจะกินได้เอาไว้แถวนี้บ้างมันจึงมาสำรวจดูเพื่อจะได้อาหารอรอ่ อ, รอยๆกินสักมือ้อ แต่เมื่อคืนนี้มันคงผิดหวังไม่น้อยส่วนเสียงครวมครามและเสียงร้องบนต้นไม้เป็นเสียงร้องของนกชนิดหนึง่งชาวบ้านเรียกว่านกกระือเพราะเสียงร้องฮือฮือของมันนกพวกนี้เป็นนกหากินกลางคืนประกูลเดียวกับนกเขาแมวอาหารที่มันโปรดก็คือหนูเมื่อหนูมาหากินกับคนมันมาคอยจับหนูกินอีกทีหนึง่ง สรุปแล้วทุกชนิดก็ทำงานของตอนไปตามธรรมดาเพื่อปากเพื่อทองทั้งสิ้นไม่มีอะไรน่ากลัวเลยนกพวกนี้ชอบอยู่ตามป่าช้าคนจึงเหมามันเป็นพวกนกผีความจริงมันก็คือนกธรรมดานี่เองแต่ที่มันชอบอยู่ป่าช้าก็เพื่อความปลอดภัยแห่งชีวิตของมันเองเพราะมันรู้ว่ามนุษย์กลัวผีไม่ค่อยชอบไปป่าช้า มันเห็นปอบป่าช้าปลอดภัยดีจึงชอบอยู่ป่าชา้าก็ไม่เห็นมีผีสางที่ไหนนี่นะท่านกล่าวในที่สุดอาตมาจึงเรียนถามท่านวัแล้วปีศาจใหญ่ที่ยืนอยู่ใต้ต้นไม้ร้องเรียกชื่อผมและเดินวนรอบกรดละครับ ท, าารท่านอาจารย์อ๋อท่านอาจารย์อุะธานยิ้มยิ้ม ปีศาจใหญ่ของเธอนั่นก็คือตัวเราเองเราเดินไปตรวจดูเท่านั้นเองว่าเธอเรียบร้อยหรือเปล่า